บริโภคการมสุขอย่างอิสระชนรู้จักจัดรู้จักใช้ขยายประโยชน์สุขก็เป็นผู้ประเสริฐเป็นอริยาสาวกดังที่กล่าวแล้วว่าถ้าเป็นคนมีนิสวรณะปัญญาบริโภคการมสุขหรืออามิสุขนี้ด้วยปัญญารู้เท่าทันรักษาจิตใจให้เป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาตของวัตถุและกินใช้การมวัตถุ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 ตลอดจนคนในสังคมทั้งหมดพร้อมทั้งตระหนักในการที่จะนำทั้งตนและผู้อื่นให้พัฒนาสูงขึ้นไปในอริยามรรคถ้าอย่างนี้ก็เป็นบุคคลที่ท่านถือว่าเป็นอริยส า, าวกสำหรับพระสงฆ์หรือชาววัดผู้พึงหมายความสุขอิสระภายในที่สูงขึ้นไปจะได้ยินท่านสอนให้ละสลากกรรม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 คำเรียกชาวบ้านมีมากมายเช่นคฤรหัดคหัดกีหิกามโคขีสาคารอคาริกเคหะวาสีกระเมสีกระวาสีสำหรับคำว่าครวาดหมายถึงการครองเรือนไม่ใช่ตัวคนที่ครองเรือนแน่นอนว่า ปัญญารู้ทางรอดที่เรียกว่านิสรณะปัญญานั้นย่อมเป็นแกนนําสําหรับชีวิตของคฤารือหัตหรือสาธารณชนทั้งในการที่จะบริหารกามโภคะให้ปลอดภัยไร้โทษห่างการเบียดเบียนแต่ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลดังว่าแล้วและในการที่จะชี้นําให้ก้าวต่อไปในการพัฒนาชีวิตขึ้นสูงประโยชน์สุขที่สูงขึ้นไปขึ้นไปท่านจึงเน้นย้าการใช้ปัญญานี้อยู่เสมอ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 อนุปพิกถานนั้นประกอบด้วยคำบรรยายย่อย5ตอนคือสามคถากับสองความสืบเนื่องคือทานกถาคำบรรยายเรื่องการให้การสลักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลกันศิลกถาคำบรรยายเรื่องความประพฤติดีงามไม่เบียดเบียนกันไม่ก่อความเดือดร้อนเวรภัยในสังคม ต่อด้วยสักคะกะถาคำบรรยายว่าด้วยสวรรค์คือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งมีความสุขด้วยการมาวัตถุทั้งหลายให้เห็นถึงชุมชนจนถึงหมู่เทพทายเทวาที่อยู่กันดีมีความสุขในระดับของการมาสุขนั้นนี่ก็คือผลจากทานและศีลนั่นเองเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดในตอนนี้ เป็นหลักคำสอนให้คนรับผิดชอบสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้อยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์ในระดับของกามสุขอนุปุภิกถาแท้จริงในพระไตรปิฎกและในคำพีทั้งหลายมีเรื่องย่อยที่เรียกว่ากถาเพียงสามคือฐานกถาศิลกถาและสักคกถาเท่านั้นส่วนกามาทีนบและเนคมานิสง ไม่มีคาถาต่อท้ายทำนองเป็นเทศนาสืบเนื่องโดยปรารบสาระในสามคาถาแรกโดยเฉพาะสักขะคาถาเพื่อชี้ทางออกสู่การก้าวเข้าถึงความสุขที่พระนียยิ่งขึ้นไปแต่ในตำราสมัยหลังนี้มีการตั้งคำสท์ขึ้นเป็นคาถาที่สและที่หว่ากามาทีนวักคถาและเนคขมานิสังสกถาแม้แต่ในเล่มคมภี ทั้งพระไตรปิฎกฉบับอักษรพม่าและอัตกถาดีกาก็มีการปรุงคำว่ากา ม, มาทีนวักถาตั้งขึ้นเป็นหัวข้อแต่ไม่มีเนืคำมานิสังสกถาซึ่งในเนื้อคำภีเองไม่มีคำที่ปรุงขึ้นนั้นกถาคือคำบรรยายธรรมแท้ๆมีสามเรื่องนี้และนี่ก็คือการนำชาวบ้าน หรือเหล่าขัาราชนผู้ฟังเหล่านั้นมาถึงจุดหมายสูงสุดที่พวกเขาดิ้นรนเพียรพยายามสแสวงหาให้เห็นว่าเมื่อดำเนินชีวิตประพฤติปฏิบัติตามสองคาถาแรกแล้วก็จะมีความสุขสมบูรณ์สวยกามโภคะอย่างพรั่งพร้อมด้วยดีอย่างที่ทรงบรรยายในคาถาที่สามเป็นอนบุรุกความมุ่งหวังสมดังที่หมาย แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดแค่นี้ต่อจากนั้นพอพร้อมได้ที่พระองค์ก็ตรัสต่อไปถึงกามาทีนกให้เห็นว่าการมาสุขที่พึ่งพาอาศัยวัตถุสิ่งเสพบริโภคทั้งหลายนั้นถึงจะดีเลิศ ด, ดังที่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนมีข้อเสียข้อบกพร่องที่เปิดช่องและเป็นปัจจัยให้เกิดโทษทุกข์ความเสียหายต่างๆ เมื่อผู้ฟังมองเห็นและเข้าใจดีแล้วอยากหาทางออกก็ทรงแสดงต่อไปถึงเนคขมานิสงคือการมีชีวิตที่ปลอดโปรง่งไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้นและมีความสุขอย่างอิสระที่เป็นคุณสมบัติประจำอยู่ในตัวเองทำให้จิตใจของผู้ฟังเปิดโล่งรับและฝ่ายที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อใหถึงความสุขที่เป็นนิรามิต ที่ว่าสุขได้อย่างดีโดยไม่ต้องมีไม่ต้องอาศัยกามนั้นนี่ก็คือการที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ฟังเป็นการเตรียมจิตของเขาให้พัฒนาขึ้นมาทีละขั้นอย่างที่พูดกันมาในภาษาเก่าว่าปอกอัธยาศัยให้หมดจดเป็นชั้นๆดังที่พระไตรปิฎกบรรยายความตอนนี้ว่า รันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเหล่าผู้ฟังนั้นมีจิตพร้อมนุ่มนวลไร้ความขุ่นขออ้องคล่องโปร่งร่าเริงผ่องใสดีเหมือนดังผ้าที่สะอาดหมดจดพร้อมที่จะรับน้ำย้อมก็ทรงแสดงอริยาสาัจสีประการนี่คือเมื่อใจเขาเปิดแล้วก็ใส่ปัญญาให้เข้ า, ขาถึงสัจธรรมมองเห็นความจริงของชีวิตด้วยตัวเองจนเกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรม ที่เรียกว่าธรรมจักสุกลายเป็นอริยชนตั้งแต่บุคคลโสดาบันขึ้นไปคนที่มีธรรมจักสุเป็นอริยชนอย่างนี้แล้วส่วนมากก็อยู่เป็นข้ารืหัดครองบ้านครองเรือนปกครองหมู่คนหรือชุมชนต่อไปอย่างบริโภคกามโภคะเสภกามะสุแต่เป็นกามะสุที่มีนิรามิสุประสานพร้อมกันไปด้วย อันเป็นหลักประกันที่จะไม่ให้การมาสุขก่อโทษความเดือดร้อนเสียหายมีแต่เสริมสร้างประโยชน์สุขและความดีงามทำให้อริยชนนั้นดำเนินชีวิตเป็นหลักและเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและสังคมและแน่นอนว่าจะก้าวนาสูงขึ้นไปในอริยามคคะไม่มีการถอยหลังตกต่าลงมาเป็นอันว่าการมาสุข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 ร่องอยู่ตลอดเวลาต้องหาต้องเอาและแต่ละคนมุ่งมั่นทยานหาให้ยิ่งขึ้นไปแต่สิ่งเสพที่ดีเยี่ยมยอดปรารถนานั้นมีไม่เพียงพอพาให้เหลาผู้เสพคอยเพ่งเล็งจ้องกันเป็นไปกับด้วยความหวาดระแวงมีการขัดแย้งแก่งแย่งช่วงชิงต้องคอยหวงแหนปกป้องเป็นเหตุนำมาซึ่งการเบียดเบียนถ้าไม่รู้จักควบคุมยับยั้ง ก็จะขยายการเบียดเบียนให้กว้างขวางรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเกิดความเดือดร้อนทุกภัยขยายระดับและขอบเขตออกไปจนกระทั่งเกิดความพินาศย่อยยับไม่จบสิน้นยิ่งกว่านั้นถึงแม้ได้ครอบครองและมีไว้ให้ได้เสพสมใจที่มั่นหมายแต่สิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของนอกตัวอาจหลุดลอยสูญหายไปได้แม้ไม่สูญหาย ก็ไม่ได้อย่างใจไม่เป็นไปตามใจของตัวกลับกลายไปซสียบ้างมันเองเป็นไปอย่างที่มันก็ไม่ปรารถนาบ้างและไม่ว่าจะอย่างไรก็มีอันจะต้องรวนแรงเสื่อมสลายไม่อาจคงอยู่อย่างนั้นได้ยั่งยืนตลอดไปและก็จะต้องพลัดพรากจากกันไปในที่สุดอย่างแน่นอนพร้อมกับความสุขที่มี ก็จึงพ่วงมาด้วยความห่วงกังวลหวั่นใจแม้เมื่อเสพยอยู่มีความสุขสมหมายนอกจากไม่รู้จักเต็มอิ่มจริงแล้วในความสุขนั่นเองที่ไม่เต็มอิ่มนั้นก็ไม่ปลอดโปรง่งโล่งล้วนเหมือนมีกากมีเสี้ยนมีเศษมีหนามมีความแปดเปื้อนมีที่ปูดที่โป่งระเกะระกะคอยรบกวนรบเร้าให้เกิดความเคืองระขายเป็นสุขระคนทุกข์ ข้างหน้าก็หวาดพร้อมไปกับที่หวังข้างหลังก็หวน่าลายเหลือทิ้งไว้แต่ความเสียดายไม่เป็นความสุขที่ผ่องใสเบิกบานหมดจดโล่งล้วนทั่วตลอดยังแท้จริงส่วนความสุขที่ประนีสูงขึ้นไปเป็นความสุขอิสระอยู่ภายในไม่ขึ้นต่ออะไรอื่นเป็นไทแก่ตัวหมดจดพ่องใสไม่เป็นพิษภัยแกใครใ แต่เมื่อตัวคนที่มีที่สวยสุขนั่นเองยังมีกิเลสก็ยังอาจสยบติดเพลินในความสุขนั้นเป็นเหตุให้เกิดความประมาทลอยปละละเลยคิดหน้าที่สิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำเรื่องราวที่พึงเอาใจใส่รับผิดชอบและประโยชน์ของส่วนรวมก็เสียหายและอาจจะเวียนกลับมาหาสามิโสอีกก็ได้อีกทั้งมัวเพลินก็ลืมไม่เพียรพยายามปฏิบัติต่อไป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 เปรียบเหมือนทางร่างกายเป็นคนที่แข็งแรงสมบูรณ์ไร้โรคไม่มีอะไรรบกวนระคายเคืองปลอดโปร่งโล่งเบาสงบสว่างเบิกบานสะอาดผ่องใสไร้ทุกข์เป็นความสุขที่เปี่ยมสมบูรณ์ในตัวของมันเองเมื่อไม่มีตัวตนที่จะติดในอะไรอะไรเป็นอิสระสิ้นเชิงแล้วอยู่ใหนที่ใดไม่ต้องมีอะไรก็เป็นสุขอยู่แล้ว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 ให้อยู่กันร่วมเย็นสุขยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นฐานที่ค้ำจุนสนับสนุนในการพัฒนาตนให้ก้าวขึ้นสู่ประโยชน์สุขที่สูงขึ้นไปขึ้นไปด้วยเหตุนี้พอจัดเป็นระบบจึงปรากฏว่าท่านจัดให้กามาสุขที่บริหารจัดการได้ดีนั้นเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแห่งชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่งคือเป็นอัตะอย่างหนึ่ง โดยเป็นอัฏฐะคือประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายหรือที่พึงลุถึงให้ได้เป็นขั้นพื้นฐานเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัฏฐะแปลกันว่าประโยชน์ปัจจุบันคือประโยชน์ขั้นตาเห็นที่ปรากฏอยู่ต่อหน้ามองเห็นประจักษ์ได้ก็คือการมสุขหรือสุขทางวัตถุที่พึงพาอามิ t h นี่เอง ประโยชน์ขั้นตาเห็นเป็นปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมิกฐานี้ซึ่งเป็นความสุขในระดับรูปรธรรมเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพของบริโภคและการอยู่ร่วมกันการจัดสรรความสัมพันธ์ให้ดีงามเกือ้อกูลว่าโดยสรุปก็ได้แก่การขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานทำมาหาเลี้ยงชีพให้มีทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและคนในความดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างน้อย ให้ทุกคนอิมเมเอเป็นสุขอีกประการหนึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีมีสถานะเป็นที่ยอมรับนับถือตลอดจนพร่างพร้อมด้วยเกียรติยศอิสริยยศและบริวารยศอีกประการหนึ่งการมีครอบครัวที่ผาสุขดำรงรักษาตระกูลวงให้เป็นแบบอย่างเป็นที่นับถือเอื้อประโยชน์สุข แก่สังคมและอีกประการหนึ่งการดูแลร่างกายบริหารสุขภาพเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคกินพอดีให้อยู่สบายไร้โรคแข็งแรงสมบูรณ์ส่วนความสุขประนีตเป็นอิสระข้างในที่เป็นไทยแก่ตัวจำพวกนิรามิสุขนั้นก็เป็นอัตตะคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิต ส่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรือเป็นอีกด้านหนึ่งเรียกว่าสัมปรายกัตถะแปลกันว่าประโยชน์เบื้องหน้าคือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นได้แก่ลึกลงไปข้างในอยู่ในใจก็เลยตาเห็นหรือลับไปข้างหน้าในชีวิตข้างหน้าในอนาคตก็เลยตาเห็นเป็นภาวะที่ไม่ปรากฏ ต, ต่อหน้า มองเห็นประจักษ์แกตาไม่ได้ตัวอย่างเช่นในฝ่ายทิฏฐธรรมิกาธคนมีของกินเสร บ, บริโภครั่งพร้อมบริบูรณ์ถือกันว่ามีความสุขก็มองเห็นชัดอยู่แต่ในฝ่ายสัมปราญิกาธะคนไปช่วยคนอื่นให้เขาพ้นทุกมาแสนจะปลาบลื้มใจมีความสุขหรือมีศรัทธาดื่มดำทราบซึ้งในธรรมะในความดี มีความสุขสงบเย็นอย่างนี้ก็เลยสายตาเข้าไปข้างในไม่มีใครมองเห็นและความสุขที่มากับความดีอย่างนี้มีผลต่อไปถึงชาติภพข้างหน้าก็เลยสายตามองไม่เห็นอีกจึงเป็นสัมปรายกัตถะประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเป็นของล้ำลึกเลยตาหรือสัมปรายิกัตถานี้ในความหมายอย่างกว้าง ก็รวมความสุขอย่างประณีตอิสระภายในทุกอย่างตั้งแต่ความสุขจากความมีศรัทธาความมีศีลดีงามสุขจากสมาธิสุขจากฌานและอื่นๆจนแม้กระทั่งนิพพานสุขดังนั้นในที่ทัท่วๆไปในพระสูตรทั้งหลายจะกล่าวถึงอัฏฐะเพียงสองอย่างคือทิฏฐธรรมิกัตถะและสัมปราญิกัตถะซึ่งก็เป็นการเหมาะ ที่จะพูดสอนชาวบ้านทั่วไปพูดแค่ความสุขที่เขาคุ้นอยู่กับตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขที่เลยจากนั้นไปก็จะพูดกันง่ายหน่อยแต่อย่างที่กล่าวแล้วในบรรดาความสุขอย่างอิสระนิรามิตรนั้นสุขหลายอย่างก็ยังไม่สมบูรณ์กลับกลายได้ติดได้ประมาทได้ดังนั้น บางทีเมื่อพูดกับผู้ที่มีภูมิอยู่บ้างแล้วและศึกษากันจริงจังก็เลยต้องแยกให้หละเอียดออกไปแล้วจากสัมปรายกัตถานั้นก็แยกเอาความสุขแท้แห่งอาสวะไขคือสุขของพระอาหารหันต์หรือนิพพา น, นสุขให้ต่างหากออกไปและมีชื่อที่เรียกให้ว่าปรามัตถะแปลว่าประโยชน์สูงสุด นอันว่าอัฏะคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิตที่ทุกคนควรไปให้ถึงให้ได้นั้นถ้าแบ่งอย่างพื้นพื้นก็แยกเป็นสองอย่างได้แก่ทิฏฐะธรรมิกัตถะคือประโยชน์ขั้นตาเห็นและสัมปรายิกัตถะคือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นซึ่งรวมปรมาถะไว้ด้วยแต่ถ้าแบ่งแบบซอยละเอียดก็แยกเป็นสามอย่าง คือหนึ่งทิฏฐธรรมิกัถประโยชน์ขั้นตาเห็นเน้นให้มีสุขภาพทรัพยศเกียรตไมตรีบ้านที่เป็นสุข 2. ส, สัมป ร, รายิกัถประโยชน์เลยตาเห็นเน้นให้มีจิตใจงามประนีตเป็นสุขด้วยการเจริญจิตตปัญญาสา ปรามาั m a t ประโยชน์สูงสุดมีปัญญารู้แจ้งที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานเป็นสุขอิสระแท้จริงนอกจากให้พัฒนาชีวิตก้าวสูงขึ้นไปเพื่อเข้าถึงอัฏฐะทั้งสามขั้นนี้แล้วก็ให้มองกว้างออกไปที่จะบำเพ็ญอัฏฐะทั้งสามนั้นไม่เฉพาะแก่ตนแต่ให้ช่วยผู้อื่นและช่วยกันด้วยจึงมีอัฐะสามอีก เป็นชุดที่สองดังนี้1อัตถะจุดหมายเพื่อตนหรือประโยชน์ตนคือประโยชน์สามขั้นข้างตน้นซึ่งพึงทำให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปให้ได้ให้ถึง2ป ร, รัตถะจุดหมายเพื่อผู้อื่นหรือประโยชน์ผู้อื่น คือประโยชน์สามขั้นข้างต้นซึ่งพึงช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ให้ถึงด้วยการชักนำสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลำดับ 3. อุปยัตจุดหมายร่วมกันหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สุขและความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคมรวมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างต่างซึ่งพึงช่วยกันสร้างสรรค์ บำรุงรักษาเพื่อเกื้อหนุนให้ทั้งตนและผู้อื่นก้าวไปสู่จุดหมายสามขั้นข้างตนเนื่องจากการมาสุขมีความสำคัญอยู่ที่การรู้จักบริหารจัดการดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนบรรดาสาขาชนชาวบ้านให้ปฏิบัติธรรมที่จะนำมาซึ่งทิฏฐธรรมิกัถะให้รู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นอย่างถูกต้องและเกื้อกูล คำตราสอนเหล่านี้กระจายอยู่ในที่ต่างๆในพระไตรปิฎกอันหนึ่งเมื่อทรงสอนหลักธรรมเพื่อประโยชน์ขั้นตาเห็นนั้นนอกจากทรงย้ำนิส ร, รณะปัญญารูทางรอดที่กล่าวแล้วก็จะทรงสอนธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยตาเห็นคือสัมป ร, รายิกัตถะควบไปด้วยเพราะธรรมะในระดับของความสุขที่พระนีพนนั้นนอกจากเป็นหลักประการสาหรับตนเอง ที่จะไม่ให้การมาสุขที่สร้างขึ้นมาเป็นพิษเกิดโทษแก่นตนเองแล้วก็เป็นประกันที่จะไม่ให้การมาสุขของตนนั้นก่อทุกข์ภัยแก่ผู้อื่นหรือเบียดเบียนสังคมแต่ตรงข้ามเขาจะได้ใช้การมโภธะของเขานั้นช่วยเหลือเกื้อกูลบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ขยายกว้างออกไปพร้อมกันนั้นก็จะได้เป็นการเตือนตัวเขาเอง ให้มีเหลื่อมที่จะพัฒนาความสุขอิสระอันปราณีตนั้นให้ก้าวต่อสูงขึ้นไปด้วยหลักธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตของชาวบ้านผู้เจริญงอกงามให้ก้าวไปในสัมปรายกัตถะซึ่งหมายรวมต่อไปถึงปรมาถะด้วยที่ตรัสเป็นหลักอยู่เสมอเป็นเชิญกากับคุมเรื่องการมาสุขไว้มีชื่อต่างๆแต่ชื่อที่เป็นหลัก คือตรัสว่าอริยาสาวกและอริยาสาวิกาเจริญด้วยอริยวัตในที่นี้สะกดด้วยทพุท่าสารีนะครับเจริญด้วยอริยวัรคือความเจริญงอกงามของอริยชนห้าประการได้แก่ 1. ศรัทธาความทราบซึ้งมั่นใจในคุณพระรัตนตรัย ซึ่งมีแกนอยู่ที่ ต, าตถาคตโพติทศรัทธาคือศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของตถาคตที่ทำให้มนุษย์เป็นพุท ธ, ธะเท่ากับมั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่จะฝึกให้เลิศประเสริฐจนมีปัญญารู้แจ้งเป็นพุท ธ, ธะได้ข้อนี้นับเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพัฒนาชีวิตสศีล ความประพฤติดีงามดำเนินชีวิตที่ปลอดเว้นการเบียดเบียนโดยมีสินห้าที่อาจพัฒนาสู่สิน8 3. สุตตะสะดับฟังข้อมูลคำสอนหลักธรรมคำอธิบายที่จะนำมาตรายตรองพิจารณาวิเคราะห์วิจัยให้เข้าถึงความหมายโดยเฉพาะที่จะเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตให้ก้าวต่อไป 4. จาคะความมีน้ำใจเผื่อแพ่เสียสละครองเรือนด้วยใจที่ไม่ตรนีคับแคบใส่ใจรับฟังทุกสุขของคนพร้อมที่จะให้ปันช่วยเหลือ 5. ปัญญาความมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงอย่างถึงสภาวะแห่งการเกิดขึ้นและความดับสลาย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 แต่ถึงจะขาดไปก็พอยอมได้ถ้ามีปัญญาก็พึ่งพาสุตตะน้อยลงแต่ถึงเล่าเรียนานานมีสุตตะมากแต่ถ้าขาดปัญญาก็ไม่สำริจผลปัญญาสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามรวมแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต คำที่เรียกว่าอริยวัตในที่นี้สะกดด้วยทอผู้เท่าสารีนะครับวัดหรือวัตถินี้ถ้าแปลตรงสท์แท้ก็คือกำไรในอังกุตราณิการจศกาณนิบาท ต, ตรัสถึงอริยาสาวกที่เจริญด้วยอริยวัถิหรืออริยวัตสิบประการเป็นฝ่ายทิฏฐามิกระทะห้าข้อคือเจริญด้วยเรือส่วนไรนาเงินทองธั ญ, ญชาติบุตรภรรยา คนรับใช้กรรมกรคนทำงานสัตว์สีเท้าและคุมด้วยฝ่ายสัมปรายิกัตถะห้าข้อคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาหลักธรรมว่าด้วยการบริหารจัดการกรรมสุขและกรารมโภคะที่ว่ากระจายอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎกนั้นที่ตรัสยาเป็นพระสูตรใหญ่ทีเดียวก็มีคือสิงคาปกาสูตร แสดงระบบการดำเนินชีวิตของข้าหัตชนทั้งส่วนตัวชุมชนและสังคมในพระไตยปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นเนื้อความยาวถึง14หน้าพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายว่าประสูตรนี้ตรัสให้เป็นขีหิววินยัยคือวินัยชาวบ้านหรือแบบแผนชีวิตของอริยชน และก่อนที่จะมีโอกาสเพิ่มเติมหนังสือพุทธธรรมสําหรับการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ได้ประมวลสาระของสิงค ա ลกกาสูตรแสดงไว้แล้วในหนังสือชื่อว่าวินัยชาวพุทธซึ่งชุมกลมผลดีก็ได้จัดทําเป็นเสียงอ่านไว้แล้วนะครับสิงคาลกกาสูตรที่ว่าเป็นแบบแผนชีวิตของอริยชนนั้น ถือตามพุทธดำรัสที่ตรัสตอนเริ่มต้นพระสูตรนั่นเองว่าอริยวินัยพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงด้วยคถาแสดงหลักการสร้างความมั่นคงสามัคคีของสังคมที่เรียกว่าสังฆะวัตุสีประการเท่ากับเป็นบทสรุปลงท้ายขอนำมาแสดงไว้เหมือนเป็นตัวอย่างดังนี้การให้ปานหนึ่ง พูดอย่างรักการหนึ่งการบำเพ็ญประโยชน์หนึ่งความเสมอการในธรรมะทั้งหลายหนึ่งสี่ข้อนี้พึงปฏิบัติให้เหมาะควรในบุคคลที่พึงสงเคราะห์ด้วยธรรมะทั้งสีน่นั้นๆธรรมะสี่ประการเหล่านี้แหลเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจคนในโลกเป็นเหมือนสลักรถที่ลั่นไปอยู่ถ้าธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซ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 บางทีเลยเข้าใจไปว่าประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมคือทิฏฐธรรมิกัตถะหมายถึงเรื่องเงินทองเท่านั้นในที่นี้จะนําพุทธพจน์ในเรื่องนี้มาแสดงไว้เล็กน้อยพอให้เห็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมเน้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วก็โยงต่อขึ้นสู่ประโยชน์ขั้นสัมป ร, ราคไปเลยแต่ก่อนจะไปที่พุทธพจน์เช่นนั้นขอยกพระสูตรสั้นๆมาให้ดู พอให้เห็นกรณีที่ประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมหมายถึงการมาสุขด้านอื่นที่ไม่ใช่เงินทองซึ่งในกรณีนี้เป็นการบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพร่างกายดังนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระนครสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าระเสนที่โกศลเสวยพระสุธาหารหุงด้วยข้าวสารหนึ่งทนานรันสเสวยแล้ว ทรงอึดอัดเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสวยแล้วทรงอึดอัดจึงได้ทรงภาษิทิพระคาถานี้ในเวลานั้นว่าบุคคลผู้มีสติอยู่เสมอได้อาหารมาก็รู้จักประมาณจะมีเวทนาเบาบางแก่ช้า รองอายุอยู่ได้ยืนยาวสมัยนั้นมานพชื่อสุทัศน์ยืนอยู่เบื้องพระปิดแสดงของพระเจ้าประสเสนทิโกศนลำดับนั้นพระเจ้าประสเสนทิโกศลไ ด, ดขะขะนะ้ตรัสกับเขาว่ามานินเสุทัศน์เธอจงเรียนคถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคและจงกล่าวในเวลาเราบริโภคอาหารเราจะให้ค่าอาหารแก่เธอวันล ะ, 100 ะ, หะหนึ่งรกหาปณะทุกวัน สุทัศนามานบรับสนองพระราชดำรัสของพระเจ้าประสเสนทิโกศนว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่าเขาเรียนคถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วในเวลาที่พระเจ้าประสเสนทิโกศนเสวยพระกยาหารก็กล่าวคาถานั้นครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนทิโกศลยังพระองค์มาโดยลำดับจนทรงอยู่โดยมีพระกยาหารหนึ่งทนานเข้าสุขเป็นอย่างมาก ในการต่อมาพระเจ้าประสเสนที่โกศลทรงมีพระวรากายกระปรี้กับเราคล่องแคล่วดีได้ทรงรูปพระวรากายด้วยฝ่าพระหัตแล้วทรงเปล่งพระอุทานนี้ณเวลานั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์สองอย่างครบหมดเลยหนอทั้งประโยชน์ขั้นทิตธรรมและประโยชน์ขั้นสัมปราา